ตอนอบรมคอร์สนวมินครั้งที่4ระหว่างวันที่ 12-14 พฤษภาคม2560ตอนที่6เออก็มานั่งใกล้ๆกันจะได้เห็นกันชัดๆบางทีเราเฉพาฟังเสียงเนี่ยเราไม่เห็นหน้าเราไม่เห็นอารมณ์นะเห็ไหมหยิบขึ้นมาเลยครับยิขึ้นมาเลยครั บ, บงทีเสียงของพอะเพาะนะ เขาเป็นนักภาคเนี่ยเขาเฉพาะได้ยินเสียงเราไม่รู้ว่าลมเขาไม่รู้ว่าหน้าเขาเวลานน้นยิ้มดงหน้าบึ้งทุกวินาทีเรามีประโยชน์นะก่อนจะเข้าถึงการตอบคำถามเนี่ยก็เกินนิดหนึ่งที่ศูนย์พารานข่อยเรามีโปรแกรมปลูกผักในโดรนิี จริงๆแล้วพวกคูไม่ชอบอะไรที่เป็นธรรมชาติแต่ตอนนี้ชอบก็ช่างไม่ชอบก็ช่างโลกนี้กำลังจะเกิดวิกฤตนะคือไอ้โลกใบนี้มันไม่ได้โตขึ้นแผ่นดินของโลกเนี่ยมันเท่าเก่ามนุษย์มากขึ้นแล้วก็บังเอินว่าอุตสาหกรรมนิยมเนี่ยเขามีกำลังมากกว่าเขาขยายผลเขาก็ือบุกที่ที่ทํากิน ที่ที่เพาะปลูกเรื่องเกษตรอาหารมาส่วนมากมาจากภาคการเกษตรทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นประมงประสุกสัตว์พาะพืชผักผลไม้เนี่ยพื้นที่มันน้อยลงถ้าภาคผลิตอาหารเนี่ยเราไม่พัฒนาขึ้นมาเนี่ยต่อไปมนุษย์จะเจอวิกฤตเรื่องอาหารไฮโดรโปนิกไม่ต้องพึ่งที่ดินปลูกในห้องนี้ก็ได้ในใ น, ใ น, ใ, นในอะไรก็ได้นะ เขาเรียกว่าต๊ปลูกนะตปลนะูทีนี้ระบบมันหลกัหลกๆก็คือว่าน้ามันเคลื่อนไหวนะพวกครูเอาเครื่องมือตัวนี้มาสอนเด็กๆที่เข้าบดชีบวดเนรที่ศูนะย์โดยเฉพาะเด็กต้นระดับมัธยมขึ้นไปเนาะปฐมเนตรทำเกษตรแบบใช้ที่ดินะเกษตรแบบธรรมาชาติส่วนไฮโดรพนิกมันเกี่ยวกับเรื่อง เ, อเทคนิค ต้องรู้จักค่าคำนวณ น, นะตรวจสอบออน้ำแล้วก็ปุ๋ยอะไรพวกนี้ตนะีสี่กว่าทุกวันพวกูก็ไปคุยกับผักพวกนี้นะเด็กๆ เ, เขาก็ตีห้าของพวกพวก่อครู แ, แรกเขาทำใหม่ๆทุกคนอูทานพร้อมกันว่าทำไมมันโตไวขนาดนั้นนะจากเดี๋ยนี้เราดูพวกพวกนี้มันพวดเลยนะ พวกครูบอกว่ามันไม่ได้ไปโรงเรียน เ, เขาต้องงงทาไมไปโรงเรียนอ่ะไปโรงเรียนมันมีวิชาแถมเยอะมากเดี๋ยวฮโัฮโหลฮโลัฮโหลฮโลัโหลฮัโหลจิตส่งออกตลอดมันไม่ได้จด จ, จบกับการที่มันเรียนแต่ผักไ้โดสัญชาตยานนะนะเขากลัวว่าน้ํามันจะแรงน้ํามันไหลผ่านนะเขาทํำหน้าที่ยี่สิบชั่วโมงนะนะที่มันโตกว่าผักในดินผักในดินเหมือนชล่าใจว่า ของตายนะอาหารอยู่ใกล้ในดินมันมีธาอาหารอยู่นะแต่ผักไ้โดนเนน้ำมันเคลื่อนไหวตลอดนะทีนี้ พ, พ่อกูฐานเด็กรู้เปล่าทำไมมันโตวไวนะ พ, ะพ่อกรูนี่แหละมันไม่ได้ไปโรงเรียน พ, พ่อคูคุยกับผักทุกวั น, นมันพูดเบามาก ถ้าเราไม่ใส่เจตนาไม่ไม่ใส่ใจไม่เงี่ยงหูฟังเราจะไม่ได้ยินเลยนะเราทำอะไรก็ช่างถ้าเราไม่ใส่ใจเราไม่เงี่ยงหูฟังเราจะไม่ได้ยินนะเหมือนเราเด็กๆในห้องหนึ่งมีสี่ห้าสิบคนเนี่ยทำไมที่หนึ่งคนเดียวนะคนนี้เขาเก่งเหรอไม่ใช่เขามีสมาธิมากกว่าคนอื่นเขาใส่ใจเขาเงี่ยวหูฟัง เขาก็ได้เต็มๆไอ้ที่ฟังด้วยทักๆเขาพูดมา้อยหนึ่งรับได้เพราะเพราะเราหลงว่าเรารู้อยู่แล้วนะบางทีพูดคำหนึงปุ๊บเราก็ไม่ฟังทั้งหมดเด็ดแล้วก็คิดก่อนแต่การชักการฟังภาษาเนี่ยต้องต้องฟังทั้งทั้งประโยคเหมือนพ่อครูเคยบอกว่าวิธีวินาทีที่มันระเบิดนะพ่อครูเริ่มนักถือผู้เจ้าทันทีเลย การใบางมันกวามากเพราะกูอย่าพูดอย่างนี้เดี๋ยวมันไปตัดต่อนะพราะกูไม่รู้ไม่นลบถืเรื่องนับถึงพระเจ้าจทันทีเลยพราะคำว่านับถือมันอยากไปพราะกูบูชาถวายชีวิตแล้วคนยุคนี้เขาชอบไปตัดต่อบอกตัดต่ออีกพราะกูก็พูดเองใช่ไหมเราฟังอะไรต้องฟังให้มันครบองนะเนี่ยการศึกษาเรียนรู้เหมือนกันถ้าเรียนรู้อะไรก็ะชั่นถ้าเราไม่ใส่ใจ เราไม่เงียบหูฝัเราก็ไม่ได้ยิงธรรมาชาติมันคุยอะไรกันนะไม่ใช่ว่าเออเธอมีหน้าที่ตรงนี้ดอกเออไม่หน้าที่นะอันนี้คนที่ทำนี้ก็ทำทำทาไปหละมองไม่เห็นมันเลยนะยกตัวอย่างว่าคุณหมอฝันนะิชีิตหมอฝันไหนคนนี้ด้วยกับอะเ อ, อมันมีเรื่อง ไทยรัฐนะั่นลงเมือม่อเมือม่อเมื่อหลายปีก่อนก็กูว่านมันมีโจรคนหนึ่งป้นเข้ามาแล้วก็วิ่งห น, นีมาตำรวจก็ไล่นะ่ะแต่ระหว่างทางมันปวดฟันมากมันวิ่งเข้าไปร้านฟันมันเอาปืนจี้หมออย่าพูดมากเอาออกเอาออกห <c oughs> มอเขาดีบอกออกเลยมันก็วิ่งห น, นีทีนี้ตำรวจก็จับมันได้ถามว่าเมื่อกี้ไปไหนบ่ามันบอกไปถอนฟันด้วย ตารวจก็เอาถ่ายรูปของไอ้โจรนี้ไปให้คุณหมอฟันดูว่าเคยเห็นคนจริงไหมกูบอกไม่เคยเห็นทีนี้ตํำรวจต้องอ้าปากไอ้นี่ไปถ่ายฟันมันให้คุณหมอเออใช่ละฟั น, นเนี่ยเนี่ยหมอทุกวันนี้ไม่ใช่หมอหมอหมอหมอพวกเรานะมันเป็นหน้าที่ไงเนี่หมอมาเยอะมากบางทีคนไปนั่งฟังคนไข้ไ อ, อ้นั่งเฝ้ารอหมอได้สามชั่วโมงเนะีพอถึงุ วินิสัยโลกปุกเอาอยาไปลองเนี่ยที่บอกว่าหมอเห็นแต่ไข้ไม่เห็นคนหมอโบราณเนี่ยเห็นคนไข้ทุกวันตีสอนก็ปลูกปุ๊บหมอก็นี่เครื่องมือไปกับคนไข้บางทีนอนบ้านคนไข้เลยเออไม่ต้องถามอะไรรักษาพุ่กระป๋องพอคนไข้หายดีแล้วก็เออเอาอะไรผมมาฝากหมอแต่ทุกวันนี้จะเป็นธุรกิจนิยมทําให้คุณหมอไม่มีเวลา โรงบาลมีแต่ห้องตรวจโรคไม่มีห้องตรวจคนมันเป็นธุรกิจการแพทย์นนะเห็นไหมตอนนี้เนี่ยชีวิตเรามันถูกเล่นนัดด้วยการแข่งขันนะทุกองค์กรแข่งมันกันหมดเพื่อจะสร้าง GDP ของตัวเองจนลืมคำว่าชีวิตมนุษย์เรามันมีเรื่องอารมณ์เรื่องน้ำใจนะอันนี้ก็เกิดกันใ้นังว่าทำไมพูดเรื่องนี้ ไม่อยากให้เวลามันผ่านไปโดยใช้เหตุนหนึ่งนาทีของเรามีความหมายไหนๆก็เสียเวลานั่งฟังแล้วสายใจเงี้ยผมฟังนะบางทีคําพูดคําเดียวปิ้งเปลี่ยนชีวิตเราเลยนะครับตอนนี้เด็กเราไม่มีสมาธิสมาธิสัส้นหมดก็ เ, เห็นว่ามันนั่งเล่นเกมสองวันสามคืนไม่ไปไหนเราคิดว่ามีสมาธิตั้งมัน่นไม่ใช่นะ่ะจิตมันดิ่งตลอดเลยโปรแกรมมันวิ่งตลอดเด็กสมาธิสัน้นไม่มีความอดทนที่จะนั่งฟังเพราะมันไม่สน ที่เขาจดจอเห่านะั้นเพราะเขาสนุกสนานกับมันนะจิเล่นมันชอบกายป็นว่าเด็กสมาธิสัน้นนะมีมีปัญหาก็เอาไปไว้กับพวกครูเขาพยายามช่วยเหลืออยู่นะแต่ก็อยู่ที่ว่าจะทำได้แค่ไหนเพราะว่าบางทีมันฝังแน่นแล้วเนี่ก็อเอาไม่ออกนะก็เข้าสู่โหมดการตอบเลยนะก็ เมตตาแนะนำคำอธิบายในการตอบคำถามกับผู้อื่นว่าปฏิบัติธรรมในวิธีของศูนย์พระลานคอยใช้วิธีแบบใดเป็นแบบไหนเมื่อเราพูดหรือทำกับผู้อื่นในจิตที่คิดดีแต่ถูกดีความในทางตรงข้ามและมีกิริยา อย่างที่ไม่ดีเนาะเราวางเฉยและแผ่เมตตาให้แต่เราไม่อยากให้เขารู้สึกแบบนั้นหรือเป็นอย่างนั้นคิดอย่างนั้นเราสามารถทําอย่างไรบ้างครับที่เรับทําหน้าที่เราดีที่สุดเนาะเราทําไปแล้วเนี่ยเราได้ทําแล้วส่วนเขาจะคิดยังไงเขาจะเชื่อไม่เชื่อก็ เ, เป็นบุญเป็นกรรมของเขา เราไม่ได้เดี่ยวความรู้ไม่เรามากินกว๋วยเตี๋ยวมันอร่อยแล้วก็บอกมันอร่อยนะส่วนเขาจะมากินไม่กินเนี่ยก็เป็นถ้าในทางโล ก, กเป็นสิทธิของเขาเป็นชีวิตเขาเนอนแต่ถ้าเราไปนั่งกังวลเองว่ามันดีดีทำไมไม่มากินอะไรเนี่ยนะเราเองก็ทุกเองแล้วก็เปลี่ยนเขาไม่ได้นะก็ถ้วถามว่าวิธีสูญพันธุ์ข่อยเป็นยังไงวิธีที่สูญพัาธุ์ข่อ ย, ค, อยคือไม่มีวิธีนะมันไม่มีวิธีตายตัว มันเป็นนานาจิตตังนะทุกคนย่อมไม่เหมือนกันทีนี้ทุกวันนี้เนี่ยเราศึกษาเรียนรู้เพื่อสสแสวงหาวิธีที่ดีกว่าเนะพราะครูพูดมาหลายปีแล้วนเะพราะคูเห็นอารมณ์แบบนี้เพราะคูก็เป็นแบบนั้นนะการพัฒนาตัวเองคือไปหาเครื่องมือที่ดีกว่าเทคโนโลยีที่ดีกว่าวิธีจัด ก, การเพื่อจะดีกว่าคนอื่นเพื่อจะชนะเขานะยุคนี้เราติดเรื่องสแสวงหาวิธี จึงพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆเพื่อนเหนือกว่าเขานะเทคโนโลยียิ่งออกมาเก่งแค่ไหนก็ช่างความเดือมร้อในสังคมยิ่งมากขึ้นเพราะคนเขามีสตังนี่เขาแทนเท่าไหรไ่ก็ไม่กลัวนะเขาก็ซื้อมันก็ไปไกลเลยนะไม่ใช่ 4.0 5.0 0นะมั้ยเหมือนมือถือเขาเรียกว่าอะไร G2 G3 G4 เนะลัมันไม่อยู่กับที่แต่คนที่ไม่มีมก็ยิ่งห่างไกลเรื่อยๆแล้วคนมีนี่ก็มีกาลัง จัดการสังคมเขาออกกฎหมายต่างๆเ น, นี่ยคนออกกฎหมายก็ออกกฎหมายที่ตัวเองได้ประโยชน์มันเป็นสัญชาตญาณมันเป็นธรรมชาติของกิเลสนะมะทีนี้ไอ้คนที่ไม่มีโอกาสก็ยิ่งหาา่หางไกลห่างไกลทุกวันสังคมแบบนี้จะหาความสงบสุขไม่ได้นะสุนัรมันยังไม่มีจินมันก็ยังไปคุยเคี่ยเลยคนไม่มีจินมันก็ต้องปล้นกินข้ากินไปค้ายาเสพติดกินนะนี่คือสังคมที่ไม่สมดุล นะก็คือวิธีนี้ปุ๊บเราค้นพบปุ๊ลิขสิทธิ์ลิขสิทธิ์เพราะมันเป็นเงินเป็นทองให้กันไม่ไดนะ้ทุกวันนี้เนี่ยกลายเป็นความเห็นแก่ตัวไม่ใช่เราอยากเห็นแก่ตัวเพราะมันแข่งขันไงค้นมาเกือบตายแล้วเนี่ยเรื่องอะไรฉันจะบอกเธอเฉยๆแม้กระทั่งเด็กนักเรียนในห้องนี้นะเล่นกันก็เล่นกันอยู่พอถามเรื่องอะไรบางทีไม่บอกกันเพราะมันแข่งกัน การแข่งขันคือจุดเริ่มต้นของความแตกแยกและทําให้เราต้องเห็นแก่ตัวโดยที่เราไม่อยากจะเป็นอย่างนั้นนะซนะือเกียนฉังจิ๋วเปี่ยนชื่อหยานมาในภาษาจีน ก, กันบอกว่าเวลาผ่านไปเนิ่นนานกลายเป็นธรรมชาติของเราล้วกลายเป็นกิเลสเราเราแยกแยกไม่ออกนะว่าเราก็คิดตามไอ้โปรแกรมแข่งขันเนี่ยนะมีใครบ้างจะแข่งเพื่อจะแพ้ไหมนะยุคเราเนี่ มีนะมีคนเดียวมีพระองค์เดียวคือในหลวงราชการที่9ก้าเอาลอสิเลาเกขาดทุนของเราคือกำไรนะแพ้เป็นพระชนะเป็นมานะเรายอมแพ้คนเพื่อชนะกิเลสดีกว่าแพ้กิเลสเพื่อชนะคนแต่ในทางโลกตอนนี้เราแข่งกันเราทำกันเพื่อชนะทั้งนั้นแหละเพราะชนะมันหมายถึงได้เห็นหั้มก็เอาเป็นว่าวิธี ศูนย์พลาย่อยคือไม่มีวิธีแนวทางศูนย์พลายคอยคือไม่มีแนวทางไอ้ที่ไม่มีแนวทางคือแนวทางของเราถ้าเราตั้งกฎเกณฑ์พึ่งมันเป็นลัทธินิกายมันจะแข็งทื่อทุกคนต้องคิดเหมือนกันทําเหมือนกันคิดนอกกรอบไม่ได้นะเหมือนมันเป็นบล็อกศักยภาพคนแต่ละคนไม่ให้แสดงศักยภาพตัวเองมาเราต้องอยู่ในกรอบของความเชื่อขององค์กรมันเป็นลัทธินิกายมันไม่ใช่ธรรมะ ธรรมะที่แท้จริงไม่มีธรรมะไอ้ที่ไม่มีธรรมะนั่นก็คือธรรมะปัจจุบันถ่ายทอดไม่มีธรรมะแล้วจะมีธรรมะได้อย่างไรเพราะมันมีกฎเกณฑ์ตายตัวมีถูกมีผิดมีดีมีชั่วมีชันเก่งเธอนั่นธรรมชาติจริงๆมันไม่มีอันนี้เป็นภาษามนุษย์ซึ่งว่าเราไปเข้าใจว่าองค์ความรู้ทาง เรื่องกติกาเราตกลงกันทุกศาสนาก็ก็มีอุบายวยิธีแตกต่างกันนะมันเจตนาดีทั้งนั้นแหละมันเป็นแค่อุบายแต่ถ้าเราไปหลงอุบายเมื่อไหร่ว่าชีวิตเราต้องเป็นแบบนี้ทุกคนเป็นหนุนยนต์มันอันนี้เราฝืนระบบทํามชาติแล้วความขัดแย้งจะเกิดขึ้นความเครียดจะเกิดขึ้นยังในป่าดงดิบเนี่ยไม่มีรัฐธรรมนูญไม่มีกฎหมายไม่มีระเบียบวินัยสัมทั้งหลายอยู่อย่างสันติเสรีโดยแท้ นกฝ ร, รั่งเศสบินบังเมืองไทยไม่ต้องขอวีซ่าแต่มนุษย์เราทำลายเสรีเหล่านี้หมดเลยแล้วไปเรียกร้องเสรีกันนะหลายคนส่วนมากเงเป็นชาวพุทธหรือว่าชาวอิสลามชาวอะไรก็ช่างเนี่ยพระครูเชื่อว่าทุกๆุกศาสตรานเนี่ยจิตพระองค์บริสุทธิ์นะมีจักความเมตตาทังนั้นเพียงแต่ว่า เริ่มจากจริตเดิมแล้วก็ความเคยชินเดิมเนี่เทคนิคในการถ่ายทอดมันไม่เหมือนกันคนเราจํานาญไม่เหมือนกันเห็นไหมละ่ะทีนี้เมื่อเราไปยึดมั่นถือมั่นกับอุดมการแล้วว่าต้องแบบนี้มันถูกแล้วจะอมองว่าคนอื่นผิดทันทีเลยความขัดแย้งก็เกิดขึ้นเราจะมองไม่เห็นตามความเป็นจริงว่ามันไม่เหมือนกันเห็นไหมตอนนี้เราเรามองเราคิดตามอุดมการ์ที่เราเชื่อเราตัวเองเป็นที่ตั้ง มันต้งคุยกันไม่รู้เรื่องนะไม่ว่าทางไหนนะทางโลกทางธรรมมันก็เหมือนกันเห็นไหมยราเรียนจะจบปริญญาเอกนะได้ตำแหน่งด็อกเตอรนะ์ทางภาษาศาสตร์เรียนจบภาษาสูงสุดแล้วแสดงว่าเราแตกฉานเรื่องภาษามากแต่ออกมาคุยกันไม่รู้ภาษาภาษาเดียวกันไงทำไมตีความไม่เหมือนกันอนะกฎหมายฉบับเดียวกันทำไมต้องมีทนายไปนั่งทะเลาะกันแล้วก็ให บุคคลหนึ่งเป็นตัดสินผิดเห็นไหมเราเป็นเน้นเรื่องแต่องค์ความรู้ทางวิชาการนะทั้งหมดเนี่ยยิ่งมีความรู้มากเหมือนมีอาวุธอยู่ในมือเลยลนะ่ะแต่ถ้าเราไม่มีคุณธรรมไม่มีปัญญาแล้วเราจะใช้อาวุธนั้นน่ไปสร้างกรรมทั้งหมดคือไม่มีคุณธรรมนะคุณธรรมมีอยู่แล้ว แต่ว่ามันถู ก, กโกบเกือนด้วยความรู้ผิดนะไม่ใช่เราไม่รู้เรารู้จนถึงเป็นด็อกเตอร์แล้วไงนะอง ค, ความรู้เราสูงสุดแล้วไงในทางโลกเรียนปริญญาเอกสูงสุดแล้วไงแล้วทำไมคุยกันไม่รู้ภาษาเห็นมถ้าเราไม่เข้าใจองความรู้ที่เราเรียนเนี่ยนะมันจะสร้างอัปตาว่าเราเก่งที่สุดเห็นไหม มันก็มันก็คุยกับไม่รู้ภาษานะอันนี้เอาเป็นว่าถ้าพ่อคูเข้าใจนะพราะอยากจะแนะนำเพื่อนว่าออวิธีพารานค่อยอย่างนี้ไม่รู้จะพูดยังไงนะฮะบางทีเขาเรียกว่าเขาตั้งชื่อนะอันนี้พุทโทนะยุบหนอพองหนอนนะอันนั้นอันนี้นะรู้สึกมันมีชื่อเรียกเพราะคูไม่เคยตั้งชื่อถ้าตั้งชื่อปุ๊บเป็นลทัทธินิ้กายทันทีเลยพ่อครูจะไม่เป็นส่วนหนึ่งของการขัดแยง้งพ่อครูอยู่ชีวิตมาแล้วนะ เราเรามีแต่มีจังหวะให้เรามาให้นะให้ก็คือคือการให้ทานาธรรมทานนะให้วัตถุทานธรรมพยทานนะแต่ถ้าว่าเป็นพราะอยากให้แล้วต้องมีการขัดแย้งเกิดขึ้นเพราะว่าของฉันถูกของเธอผิดเนี่ยอันนั้นเป็นกรรมนะพวกคูจะไม่ร่วมสังกัดกรรมด้วยเอาเป็นว่าวิธีพลานข่อยคือไม่มีวิธีมิจฉาว่าเราพูดได้แค่ว่าเออหลังจากเราปฏิบัติแล้วเนี่ยชีวิตเราดีขึ้นยังไง นะเอออยากร้อนก็ก็ไปลองนะมันพูดมันมันมันถ้าพูดเก่งที่สุดก็เพากคูใช้ภาษามันกันนะก็แค่ให้มันเข้าใจมันไม่เข้าจิตสมองรู้จตจิตไม่รู้สุดท้ายมันก็วางไม่หลงนะต้องคข้ามาลิ้มรถเองเออหลายปีก่อนก็มีชายหนุ่มคนอเมริกันนะ อ, อ, อ, อ, อ, อายุยี่สบหปีมาพ่อคูมาอยู่กับพ่อคูเป็นปีนะที่โน้นเพราะก็เคยติดยาเสพติด นะเขาทุกข์มากนะเพราะอยู่ๆจิตมันปิ้งขึ้นมามันฟื้นเองเลยมันก็เลยศึกษาเรื่องจิตวิญญาณมันก็ลิงเว็บไซต์มามาเจอศูนย์บาลาน่อยมันก็บินมาเลยไปนั่งถามพ็กครูหนึ่งทั้งวันเลยนะพอครึ่งวันแล้วเสร็จแล้วเนี่ยบังเอิญถามไปตอไปถานไปตอไปเขาพยายามหาเหตุผนลนแบบตักกาซึ่งบางอย่างมันพูดด้วยภาษาไม่ได้นะ เขบอกว่าเขาต้องเข้าใจก่อนเขาต้องมีความเชื่อก่อนใช่เขาจะไม่ทําอะไรมัโง่ซึ่งมีเหตุผลพราะพระเจ้าก็สอนแบบนั้นอย่าเพิ่งเชื่อนะแต่บางอย่างก็อย่าเพิ่งเชื่ออย่าเพิ่งปฏิเสธนะแต่บางอย่างมันเอาเหตุผลแบบตักกะไม่ได้คุณต้องลงไปพิสูจน์บังเอิญเขาตีะระฆังปุ๊บก็ไปกินข้าวเทียงกันนะวันนั้นเขาทำก๋วยเตี๋ยวไงเพราะหลังวันนี้เขาชื่อทาวิส ที่นี้เด็กมันนอกเรียกยากมากพราะกูก็ตั้งเป็นชื่อเล่นชื่อเทวาให้เป็นเทวดาเลยเพราะคนไทยเออเมืองนอกนะก๋วยเดี๋ยวมาพราะกูถามว่าเทวาเธอรู้หรือเปล่าเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าอะไรคนไทยเขาเรียกก๋วยเตี๋ยวนะถ้าเธอถามพรอครูว่ามันมันหวานไหมมันเค็มไหมมันเปรี้ยวไหมพรอครูก็บอกมันหวานมันเค็มคุณรู้เปล่ามันหวานมันเค็มมันเปรี้ยวแค่ไหน อยากรู้ก็ชิมดูไม่ต้องเสียสตังด้วยนะมันบอกไอ้แก๊ดีโอเคมันก็รู้ไงมันก็ยอมปฏิบัติสุดท้ายเขาเหวีย่ยงพระเจ้าในดวงใจเขาทิ้งไมเลยผ่านมาเกือบสิบปีแล้วนะคนคนนี้ไม่มีาศาสนาแล้วก็พ่อครูไม่บังคับให้าต้องนับถือาศาสนาแต่วิถีเขาเนี่ยเป็นวิถีพุทธโดยไม่ต้องสั่งการมันออกมาจากข้างในผู้ใดเห็นธรรมผู้ น, นั้นเห็นเราแต่หากน เราจะเห็นพุทธเจ้าพุทธเจ้าก็คือทำสัญลักษณ์ของของธรรมชาตินั่นแหละแต่ทุกวันนี้เนี่ยเราเรามาเป่งเป็นภาษาปุ๊บเนี่ยก็ตีความพระไตริดกมีความวิชาการต่างกันตั้งเป็นแก๊งเป็นอ้วนเป็นลทัทธินิกายโดยทิฏฐิมานะเปไหมมันไม่ได้ผิด น, นะก็เป็นเทคนิคที่ต่างกันก็ต่างคนต่างทางไปเรือลังนี้ใครพา ย, ายซ้ายพา ย, ายขวาก็พายไปอย่าไปเถียงกันว่า ภายซ้ายดีกว่าภายขวาดีกว่าทำอย่างนัน้นดีกว่ามันไร้สาระสําหรับกู่นะก็เอาเป็นว่าเอาประสบการณ์เราบอกเขาว่าเราปฏิบัติแล้วมันได้อะไรนะให้เขาไปลองกินดูเนมันไม่มีวิธีพราะูไปตั้งชื่อด้วยมันไม่มีวิธีจริงๆเห็นไหมสองสามวันเราไมา่อยู่ด้วยกัน่มันเหมือนชั้นคนเหมือนกันยังไงไม่มีเหมือนกั น, น, น, ช, กนนะชั้นคนนะแล้วแอปชั่นออกมาตามอารมณ์ข้างใน ไม่ได้ถูกคําสั่งว่าต้องทํานะท่านั้นทําท่านี้มีท่าโบกแท็กซี่มีท่าฮลริบพ้ามีท่าอะไรอันนี้คือมนุษย์เราได้แค่นั้นเพราะว่าเราเป็นติดเรื่องวิธีต้องเป็นแพ็กเกจทุกคนต้องเหมือนกันหมดมันสั่งการง่ายมันประเมินง่ายไงเราคิด แ, แบบวิชาการเห็นไหมถ้าวิชาการมันต้องยึดทางหลักทางวิชาการนะเพราะเขากลัวเราหลุดโผล่เาจะควบคุมเราไม่ได้ถ้ายึดหลัทางทาวิชาการ คนเป็นนักวิชาการก็ได้เปลี่ยนใช่ไหมถ้ายึดติดทางกฎหมายนนเนี่ยคนเรียนรู้กฎหมายก็ได้เปลี่ยนใช่ไหมตอนนี้สังคมมนุษย์มันเป็นแบบนี้นะกรรมที่ถูกกันมามีที่มีทั้งกรรมดีและกรรมไม่ดีหากกรรมไม่ดีเกิดในครอบครัวเราจะทำอย่างไรคบต้องทำใจก่อนแล้วก็จ่ายหนี้ไปนะพ่อแม่ รักลูกทุกคนนะคนจีนเนี่ยเ้าก็ารักลูกเขาบางทีไอ้คนทำจีนแต้จิ๋วเขาเขาด่าลูกเขาไอท้ทอแจ้กเกอร์มันแปว่าอะไรคือไอ้ลูกทวงนี้บางคนเกิดมาท่วงนี้กันบางคนเกิดมาจ่ายนี่กันในตัวเราก็มีขวัขวบวกขัวลบไม่มีใครสมบูรณ์ทั้งหมดว่าฉันดีมันชั่วอะไรเนี่ยนะพูดอย่างนั้นไม่ได้มันมีของผู่อยู่ในตัวมันเองเนในดีมีชั่วในชั่วมีดีนะ ลูกพรอครูสองคนเองตอนที่เขาเริ่มหรีบไม่ไวหนุ่มสาวแล้วเขาก็มีเพื่อนเพศตรงกันข้างไม่ค่อยคุยกับพ่อครูเท่าไหร่หรอกนานๆเขาถามตัวเองเขาว่าไอ้คาว่าคนดีนีนัยะมันแปลว่าอะไรนะคนดนะีพ่อครูว่าถ้าเป็นในแง่ว่าถ้าเกี่ยวกับชีวิตคู่เราอยู่เฉยๆไม่ชอบเราก็อยากหาคู่มาเพราะว่าเราว่าเวเราอยากมีเพื่อน ถ้าแค่นี้เราคําว่าคนที่เหมาะสมนั่นแหละคือคนดีสําหรับเราบางทีคนนี้มันไม่ชัว่วเลยมันขยัน<ม>แข็งแข็งทาํางานนะนะเขาไม่ได้ไปทำชั่วแต่เขาก็ยังไม่ดีถ้ามันไม่เหมาะกับชีวิตเรามันจะเป็นภาระเรานะแค่ฟันเราเที้ยวอาหารบ่อยๆเนี่ยทาไมเราวังกกัดลิ้นตัวเองแล้วจะไปเอาคนอื่นมาทะเลาะกันดีทําไมสมมติกันยีเนาะก็เอาเป็นว่าคนที่เหมาะสม บางทีในก็เหมาะสมกับคนนี้แต่ไม่เหมาะสมกับคนนี้นะมันเกี่ยวกับเรื่องถ้านในทางลู่มันเกี่ยวกับลสนิยมด้วยเห็นมแล้วตอนนี้เป็นยังไงนะนั่งนั่งต่อหน้ากันคนนี้ก็กดกดกดนะไปคิดเรื่องอื่นคนนี้ก็กดกดไปคิดเรื่องอื่นในข้อโคัวเดียวกันเนี่ยไปคนละทางนะแต่ถ้าเรายอมรับความแตกต่างแล้วเราเราพอใจเราเข้าใจกันก็ไม่มีเรื่อง แต่ถ้าเรายึดมั่นถือมั่นว่าทำไมไม่เสีเยวแล้ชันเลยมาอะไรชั้นเลยเรื่องมันก็มาใช่ไหมนั่นแหละคนดีคือคนเหมาะสมกราบเรียนถามพระครูค่ะดิฉันมาปฏิบัติสี่ครั้งแล้วขยันก็ไม่ได้ออกจากตัวจะต้องทำอย่างไรดีคะหวังว่าพระครูคงได้ตอบว่าพยายามต่อไปไ <c oughs> <c oughs> อันนี้รู้ต่ายละ <c oughs> บางทีอยากค้ากำไรเกินลวดนะเราสะสมขยะนี่มาหลายภพหลายชาติาหลายกลับหลายกันหลายสสงไขอปฏิบัติมาแค่แค่สี่ครั้ง <c oughs> <c oughs> จะเป็นพาาระอรหันต์แล้วตอนนี้เป็นหัวหันไปก่อนดีไหม <c oughs> คือมันไม่มีสูตรสำเร็จเนนะ เออบางคนที่พกูบอกเอาตั้งสีสาชั่วโมงมาดูทำที่บอกว่าดอกไม้ก็มาก้อนอิดก็ม า, มาแล้วได้ไงได้ไงพกูทําไมตํารวจจับไหมะนะผิดกฎหมายข้อไหนมันผิดอะไรเหรอคือเข้าค ว, วามความเชื่อตัวเองมันที่ตั้งว่าพระพุทธเจ้ายังต้องใช้ชาติจุดท้ายใช้เวลา 6, กหกพันาหปีเลยอันนี้ปวดบุตรหลีหรือเปล่าสาชั่วโมงมาดูทำมันหรอกโอ้อย่างนี้เนี่ย เน้นบิตนี่ก็เอาเปรียบพระรุ่นเจ้าสิแค่เจ็ดัวบวชแค่แปดวันเป็นพระอรหันต์แล้วเนี่ยอย่าไปวัดกันแบบมันไม่เกี่ยวไม่ใช่ว่าใครบรรลุธรรมเร็ววันนั้นก็เก่งบรรลุธรรมช้าก็ไม่เก่งมันไม่เกี่ยวนะมันเกี่ยวกับบารมีบุญสร้างไม่ใช่พระเจ้าบุญไม่เยอะนะมหาศาลเลยแหละแต่พระองค์ต้องเป็นเจ้าแห่งพุทธะพระองค์ต้องสัสษรคดีความให้หมดแปดชานทุกเรื่องอย่ามาอ่าไปเปรียบเทียบกับพระองค์นะนี่แหละก็ เป็นอย่างนี้ก็ก็ไม่พูดว่ทาทําต่อไปให้ทางใหรบอกหยุดทาําเลยมันไม่ออกก็หยุดทาําช <Comb ust ion> เห็นไหมเพอถูพืนถูพืนถูไปได้แค่เศษหนึ่งส่วนสีว่าถูเท่าไหร่มันยังไม่สะอาดเห็นไหมก็ถูให้มันหมดเนาะงานเลี้ยงยังไม่จบเกมนี้ยังไม่จบก็เดินต่อไปนะั่นแหะแต่พยายามอย่าไปกังวล น, นะเต็นไหมเรามีเรามีเงื่อนไขเวลาละ่ะทุนนิยมทําอะไรปุ๊บได้อะไร นะเร็วแค่ไหนช้าแค่ไหนสมวนมาเราติดบ่วงเพราะเรามีความอยากนะสายมหายายเขาจึงรู้เรื่องนี้เขาเลยใช้อูบายต่างๆฉันจะเกิดอีกฉันยินดีเกิดดีเห็นไหมแล้วเวลาที่เ้าจะตายเนี่ยเขารูเา้เข้าเขาก็เข้าไปอยู่ในชานของเขาเขาจะตายท่านี้ก็ได้ตายท่านต้นไหนก็ได้นะนั่นลหละ ไปเป็นผมตาอยู่ในชายไปเป็นผมเขายินดีมาเกิดดิเพราะเขาจะสร้างบารานีเพื่อเพื่อป้องกันไม่ให้เขามีอารมณ์แบบนี้เอ๊ะเมื่อไหร่มันจะหมดสักทีนะอย่าให้มันหมดเร็วเลยนะเดี๋ยวจะไม่มีของเล่น <c oughs> เหมือนเราเป็นนักวยไม่มีผู้้องไม่มีผู้ช่วงมนจะแข็งแรงทำไปเรื่อยเรื่องนี้เนี่ยเพราะว่าสิ่ง น, นั้นน่ยมันไม่มีสูตรตายแต่ว่าทาแบบนี้มนเร็วทำแบบนี้ ม, นบบนมันชา้า วิธีเดียวกันเน่ยคนหนึ่งเร็วคนหนึ่งช้าก็ไม่เหมือนกันแต่ไม่ใช่เร็วดีช้าไม่ดีไม่เกี่ยวเนี่เราติดเรื่องแบบนี้เรื่องเงื่อนไขเวลาด้วยทานั้นมันต้องได้อะไรสิต้องเห็นเป็นรูปธรรมสิก็เห็นไง ก, ก, ก็ได้ทําแล้วไงเห็นไหมได้เต้นได้รําแล้วไงก็ได้แล้วทีนี้เราเป็นคนใจร้อนไงมีเงื่อนไขเวลาว่าแล้วเมื่อไหร่มันจะหมดอ่ะเห็นไหมมันจะหมดก็เมื่อมันจะหมด เพราะสิ่ง น, นั้นนะ่มนุษย์อย่าบังอาจไปสั่งให้มันเกิดขึ้นเราไม่เก่งขนาดนั้นนะแต่มนุษย์เรามีหน้าที่เตรียมความพร้อมให้สิ่ง น, นั้นเกิดขึ้นเขาจะเกิดขึ้นเมื่อเขาจะเกิดขึ้นนะธรรมชาัิสั่งนะอย่าใจร้อนเนาะมันไม่เกี่ยวกับวิธีไหนวิธีไหนก็เหมือนกันถ้าไม่ทำต่อเรื่องไม่ทำไม่มุ่ง ม, มั่นไม่ตั้งมั่นศรัทธาแล้วเนี่ย ถ้ทาทำๆหยุดๆแล้วเนี่ยมันก็ได้ได้ไดแบบ ท, า ท, าทาําหยุดๆนะเมื่อประตูแห่งความรู้แจ้งยังไม่เปิดฉันก็ได้แต่เพียงเฝ้าดูจิตฉันเรื่อยไปเราหลงป่าใช่เขาตีหัวเราใส่กระสอบไปทิ้งอยู่กลางป่าพอเราฟื้นขึ้นมาปุ๊บเราจะทำอะไรไปฝึกวิธีนั้นวิธีนี้ฝึกวิธีเดินป่าไหม รอเสือมันมากินเราเหรอรอไฟไม่ป่าเหรอตอนนั้นสิ่งที่เราต้องทําอย่างเดียวคือหาทางออกจากป่าให้เร็วที่สุดที่นี่ต้องใช้ปัญญาพื้นฐานที่เราพอมีอยู่เออเราไม่มีเข็นคิดใช่ไหมเออบ้านเราไปตามทิศตะวันออกเรืองไรเราก็ดูปลาที่ถิ่มาเราก็เดินเวลาเดินก็ใช้สมาธิใช้สตินะเออเดินเป็นไม่เป็นก็ต้องเดินไม่ไม่มีทางเลือกอ่าล้มไปก็ลุกขึ้นมาอีกกลคืนไม่เห็นก็นอนตื่นเช้ามาก็เดินอีก มันจะถึงเมื่อไหร่มาอยู่ที่เราหลงป่าเนี่ยป่าลึกแค่ไหนตื้นแค่ไหนอบางคนสามเก้ามันก็โผล่มาแล้วไงมันไม่มีสูตรสาเร็จ ว, ว่าทุกคนต้องเหมือนกันอไม่ใช่ไปตั้งหน้าที่นิกายว่าเหมือนเรียนปริยาตีโทเอกกี่ปีจบเหมือนกันเนนเรื่องจิตวิญญาณคิดอย่างนั้นไม่ได้เนาะ เบียงแล้วเหมือนทํากิจกรรมเข้าจังหวะหรือร้องตามเสียงเพลงต้องทํงงาไงดีครับก็รู้เท่าทันเหมบางทีจิตเราไม่แข็งแรงเนี่ยเราต้องอาศัยมีที่ยึดนะจังหวะนั้นทําให้เรายึดเพื่อไม่ให้เราไปคิดเหมือนเด็กๆยังไม่แข็งแรงเราต้องยึดพ่อแม่ก่อนนะ แรกๆเรายึดมันพอเราชางนานปุ๊บเนี่ยเราจะใช้เสียงเพลงก็ได้ไม่เสียงเพลงบางครั้งเราเข้าไปโหมดที่เรากำลังจ่ายหนี้กรรมเลยเนี่ยเสียงเพลงไม่เกี่ยวกับเราเลยไม่เกี่ยวนะแล้วก็อยู่ในการใช้วิบากกับเรานะเขาว่าอยู่ปัจจุบันเนี่ยอยู่ปัจจุบันการกอรอลิคือการเวลานั้นๆถ้าพะกูนั่งอยู่นี่เอานั่งกรรมาฐานปุ๊บอยู่ปัจจุบันว่าเรารู้ตัวทั่วพร้อมว่าเราชื่อคนที่ชื่อบัญชา นะาหายใจเข้าออกหายใจ อ, ออกก็รู้เราก็รู้นะคนชื่อบัญชานเป็นสมมติถ้ายังติดตรงนี้อยู่เราจะเข้าไม่ถึงความจริงนะแต่เริ่มจากตรงนี้ก่อนเราอยู่ปัจจุบันอย่างนี้พอเราเราลืกอชาติเราเป็นเสือไม่ใช่มารู้ว่าในบัญชานนั่งอยู่ตรงนี้เราต้องรู้ว่าเวลานั้นอารมณ์เสือมันเป็นยังไงนั่นแหละต่อไปเราจะรู้ว่าเสือเราจะเห็นเสือเราจะเห็นนกอะไรเราจะรู้เลยว่ามันเป็นยังไง เรเคยเป็นรกมาหลายรอบแล้เป็นเสือเป็ดมาหมดแล้วนะอันนี้ก็ทําไปเรื่อยๆนะก็จบที่คำนี้ just gone ทไปเรื่อยๆและทาําแล้วมันทุกอย่างต้องทํำซ้ำๆความชํานาญมันเกิดขึ้นจากเราสัมผัสมันแล้วก็เกิดความชํานาญ น, น, นะทิดเยอะมากแวะไปบ่อยๆครับ นี่ใครบ้างไม่คิดนะมันเป็นกรรมไนงะการจะทําที่เราฝึกให้เราเป็นนักคิดไม่ก็ต้องคิดเด็กๆไม่ค่อยคิดหรอกนะพอพอเวียดปุ๊บมันเข้าไปก่อนผู้ใหญ่ละเพราะมันไม่มีความลังเลยสงสัยแต่เราเป็นนักคิดมันสร้างกรรมโดยเราฝึกให้ เ, เป็นนักคิดต้องคิดทุกเรื่องต้องหาเหตุผลทุกเรื่องนะมันก็ต้องคิดและกลวงคิดนี่ก็ต้องบันทอนจิตไม่อิสระแต่ไม่ต้องโทษตัวเองมันเป็นกรรมที่เราสร้างมา มีจาว่าถ้าเราเรียก ว, ว่าเลยกเทคนิคก็ได้เรามาเต้นมาลัมมาอะไรอะไรใช้เสียงเพลงแรงๆเนี่ยนะเพื่อให้จิตมันมีที่เกาะมันจะวางความคิดเวลานั้นแล้วนานๆไปความคิดมันก็อ่อนลงนะเพราะกำลังของจิตเรามันก็แข็งขึ้นนะกำลังของจิตเราก็คืออินทรีย์พระตตัวศรัทธาเราจะมากขึ้นด้วยตัวเราเองไม่ต้องมาศรัทธาพ่อครูนะมีพี่แอดเนี่ย ไปอยู่กับพ่อครูผู้ชายนะตอนนี้มีหน้าที่เปิดเสียงเพลงอะไรอะไรเนี่ยเหมือนอาดาเนี่ยแหละลูกเมียก็น่ารักลูกเมียก็ไปปฏิบัตนะิน้าแต่ที่นี่แกมาอยู่คนเดียวบางทีลูกเมียก็มาเยี่ยมนะเขาเขาทำหน้าที่อย่างซื่อสัตวนะ์วันนั้นญาติพี่น้องแกมากลุ่มใหญ่นะสิบกว่าคนทั้งผู้เฒ่าผู้แก่ตากลับมาดูว่าแอบนี่มาหลงป่าทำไม เขาทุกคนบอกว่าเออแอดศรัทธาพระครูพรอครูว่าแอดศรัทธาพ่อครูทำไมไม่รู้จักกันแอดไม่ได้ศรัทธาพ่อครูแอดศรัทธาในสิ่งที่เขาเห็นนะเราศรัทธาด้วยตัวเราเห็นเราสัมผัสเองเราเห็นความเปลี่ยนแปลงของชีวิตเราเองเมื่อเราศรัทธาพวกเราก็มีวิริยันะที่ศูนย์พลานค่อยเนี่ยเช้าสายบ่ายเย็นเราเราเอาวิชาเนี่ยเรียกวิชาอย่างาวิชาขวดกระเรียมเช้าสายบ่ายเย็น ฉันมาลงเล่นกับเรียนนอ้องตอนเช้าตื่นเช้ามากลัวสาราหายเนี่ยเดินไปหมดเลยเพราะครูไม่ได้บังคับทุกคนเป็นอย่างนั้นนะตลอดปีไม่มีวันหยุด <c oughs> นั่นหละเช้าสายผาเย็นตอนนี้แถมชเช้ามืดด้วยแถมกลาคืนด้วยไม่ต้องเย็นนะมาอีกโปรแกรมหนึง่งสุริยันจันทาทุกคนทำด้วยศักด์ด้วยด้วยด้วยศรัทธาของตัวเอง ไม่ใช่ศรัทธาเพรากูถึงทำนะไม่ใช่ถ้าศรัทธาที่พะกูถึงทำเนี่ยไม่ถึงสามวันเดียวมันก็เบื่อสร้างศรัทธาให้กับตัวเองนะโดยที่เราไปสัมผัสมันเองนะมันคิดเยอะๆแต่ดีแล้วมันงั้นไม่มีของเล่นนะเหมือนเรายิงเป้าบินถ้าไม่มีเป้าเราจะยิงอะไรยิงลงเราจะรู้ว่าเราเก่งไหมไอ <c oughs> ้ความคิดนั่นแหละคือเป้าเรานะสําคัญอย่าไปคิดตามเมันทันทีปล่อยมันคิดไปเลยท้ามันด้วย อย่าหยุดคิดนะกำลังมันอยู่เคยเข้าพิจิล้างโปรแกรมกรรมในอดีตล้างโปรแกรมเจ้ากรรมในเวรในอดีตจึงไม่มีกรรมในอดีตจะสามารถเข้าจิตในจิตได้หรือไม่หมดกรรมแล้วหรือพราะผู้พจ้ตายังไม่หมดเลยนะผู้พจิตรัจัดสรุปทำเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้ายัโดนเทวทัตเล่นงาน โอ้มันล้างกรรมได้อย่างนี้เนี่ยก็ดีนะนะเพราะกูเคยบอกเทศาตรกรว่าช่วยผลิตยาเนี่ยให้พวกกูหน่อยกินปุ๊บกิเลสหมดเลยกรรมหมดเลยมีไห ม, มก็ไม่มีนะไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนี่บางศาสนาเนี่ยเขาเขาไปในโบสวิหารแล้วก็ไปสารภาพบาปอะไรอะไรบอกหมดกรรมลวอันนั้นอันนั้นแค่รละบลายออกก็เหมือนเราสำนึกนะ คนเรามีหีดีโต่อปามันก็ได้ดีอย่างหนึ่งนะก็ไปไปพูดเลยคือระบายออกแต่กรรมมันหมดไหมไม่มีทางส่วว่าเราสร้างกรรมกับในก่อเนี่ยนะเห็นไหมในก่อบันทึกในจิตมันมันแค้นเรามากไหมเราเปลี่ยนมันได้ไหมไหมเทวทัตเปลี่ยนไอ้ผู้ทีเจ้าเปลี่ยนเทวทัตได้ไหมไม่ได้แต่เราเปลี่ยนเราให้เราพ้นจากตรงนี้ได้ทีนี้กรรมมันก็เกิดแต่มันกระทบเรามันไม่กระเทือนเพราะเราไม่ไปทุกข์กัน ไม่ใช่ว่าไปทำพิธีนั้นพิธีเนี่ยไอ้พิธีนั้นมันเป็นแค่อุ บ, บายวิธีทําให้เราสบายใจเออไปปล่อยรกปล่อยกาไปอะไรอะไรเนี่ยนั้นคือยาพาราไงเห็นไหมไปกบเกิดมันชั่วข่าวปวดหัวจิตปวดปวดฤทธิ์ยามันหมดมันก็เป็นดีเห็นไหมกรรมมันไม่ได้หายไปไหนมันเป็นแค่อุ บ, บายวิธีทําให้เราเนี่ยลืมมันชั่วข่าวให้เราสบายใจนะ ไม่มีอะไรหาเงินหาเงินแล้วก็วันดีดีก็เอาเงินไปให้หมอดูว่าช่วยบอกฉันหน่อยว่าฉันเป็นใครตัวเองยังไม่รู้ตัวเองเป็นใครคนอื่นก็บอกบอกเราเป็นใครเนี <c> ่ย <oughs> คนเราเนี่ความอยากเนาะไม่อยากรู้ว่าเราเป็นใครเนี่ยเราก็เข้าไปข้างในเราเองเนี่ยไปถามอาจารย์เร า, าถามจิตเดิมเหล่านั่นแหละนี่พี่รอให้คนอื่นเขาบอกเราว่าเราเป็นใครนะพอเขาบอกว่าเอ้ยเธอดวงก็ไม่ดีแล้วตอนนี้น่ะไม่ดีต้องไปทําบุญอะไม่ทํานอนหลับไหมตอ น, น, น อยู่ดีๆไม่ชอบนะก็ต้องก็ต้องไปทำบุญให้มันสบายใจอ่คิดว่าทำบุญสบายใจแล้วกรรมมันหมดเหรอคนละเรื่องบุญก็ส่วนบุญกรรมก็ส่วนกรรมนะเมื่อจบคอร์สแล้วจะปฏิบัติโปรแกรมใดในชีวิตประจาวันอยู่ปัจจุบันนะอยู่ปัจจุบันนะเราฝึกปกติที่นี่พื้นที่มันแคบแล้วก็มียืนนั่งนอนอันนี้อริยบท แต่ฐานะศาสนามันมีแล้วอริยบทสี่เป็นอริยบทหลักๆนะส่วนการเต้นการจิ้มนะการเคลื่อนไหวเร็ววิ่งร้อยเมตรนี่ยสาว่าเราไปกำหนดอะไรกำหนดไม่ทันรู้ตัวทั่วพมอยู่ปัจจุบันตลอดนั่นคะือการปฏิบัติธรรมนะไม่ใช่ว่ากําลังทํางานอยู่ก็ไปคิดถึงอนาคตเดี๋ยวจะไปทําอะไรนึกถึงอดีตแล้วไปนั่งร้องไห้นั่งดีใจเสียใจกับอดีตนี่เราไม่อยู่ปัจจุบันนั่ น, นะ น, นคือขานสตินะ ยืนเดินนั่งนอนอันนี้เราไม่เคยฝึกแล้วก็ดึงกันมาแต่ต่อไปเนี่ยชีวิตเราเนี่ยอยู่ปัจจุบันตลอดตื่นเช้าก็มาแปลงวันก็อยู่การแปลงวันไม่ใช่แปลงอยู่ก็คิดว่าเดี๋ยวจะไปทําอะไรอันนั้นคือไม่อยู่ปัจจุบันนั่นนะอยู่ปัจจุบันก็คือสมาธิมันตั้งมั่นตลอดนะสติมันก็ตื่รู้ตลอดนั่นคือมันสร้างอินทรีย์พลังให้เรานะไม่จะเกิดกําลังนั่นคืออยู่ปัจจุบันส่วนเราก็ต้องรู้ว่าเวลานี้เนี่ย โปรแกรมไหนมันเหมาะกับเราสถานที่จะละแห่งก็ไม่เหมือนกันนะนะยืนแหกบากล่องอยู่เดี๋ยวเขจับเปบน็นโรงพยาบาลโลกจิตนะนะเราอยู่คนเดียวที่บ้านเราก็นั่งหมุนก็ได้นเนาะหรือ ว, ว่าบางครั้งเราต้องการดีแลกหน่อยแล้วก็เปิดเพลงเชคแอนด์แดนก็ได้เอาเป็นว่า <c oughs> เลือกใช้ตามที่มันมอกสมนะถ้าเราบอกว่าไม่ได้ตื่นกี่โงต้องทำกีมเนี่ยกลายเป็นลทัทธินี้กลายละเอาเลิกสะดวก ความถูกต้องคืออะไรนะความถูกต้องคืออะไรนะตอบง่ายๆก็คือความง่าย่ยาหาเรื่องยากแต่ไม่ใช่มักง่ายมักง่ายก็ได้อยากตามใจตัวเองทาตามมันไม่เคยฝืนเลยแต่ ถ, ถ้าเราฝืนใจเราได้เนี่ยง่ายง่ายมันเขาด่าเราบอก่ากเจ็บใจด่าไปคืนเลยถ้าเราฝืนใจเราได้ไม่ต้องทำตามมันเราไม่ต้องอ้าปากเลยใช่ไมไม่ต้องไปสร้างกรรมด่าเขาเห็นไห ความถูกต้องคือความง่ายใช้ชีวิตแบบเรียบ ง, ง่ายแต่ตอนนี้เราไม่ต้องการจีเล่ไม่ต้องการให้มันมีรุ่นใหม่ไง<อ>เพื่อนมันมีเราไม่มีได้ยังไงอันนั้นเห็นไหมเรามักง่ายเราตามใจตัวเองแต่ได้ยากต้องกระเสือกกระสนบางที่คู่นี่ยืดสินเอาเงินอนาคตมาใช้ก็ไปซื้อรุ่นใหม่ดีใจสามวันมันมีรุ่นใหม่อีกแล้วเห็นไหมชีวิตเราตามไปว่าไม่ถันเราตามโลกโลกมันเปลี่ยนตลอดเวลาเปลี่ยนรุ่นใหม่ทุกวันเรามักง่าย เราต้องได้ยากเห็นไหมแต่ถ้าเราฝืนกิเลสเราได้อย่าไปทําตามมันนั่งอยู่เฉยก็มีความสุขแล้วไงนี่คือความถูกต้องนะหนูมีก้อนเนื้อแปลกปลอมที่ขายังไม่ทราบว่าเป็นอะไรยังไม่ได้ไปตรวจเพื่อนๆนหนูก็สันนิษฐานหลายอย่างครับสันนิษฐานคือจินตนาการคาดคะเนเนาะเออ หลาอย่างบา ง, าบางคนก็ว่าก้อนไขมันบางคนก็ว่าเนื้องอกสีมะเร็งสารพัดอะไรเนี่ยนะพอคูขาดท่านหนูฝึกไปเรื่อยๆก้อนเนื้อนี้จะหายไหมมันปวดอยู่บ่อยๆถ้ามันมีอาการปวดแล้วอ ย, อย่าไปอย่าไปกังวลอะไรเนี่ยนะทุกวันนี้เนี่ยเทคโนโยีมันก็ไปตรวจเฉยๆตรวจแล้วเราต้องมาพิจารณา เ, เองว่าเราจะดูแลมันอย่างไร ไม่ต้องทุกข์อะไรจะเกิดมันก็เกิดไม่ได้เกิดขึ้ น, นลอยมันมีเหตุของมันอยู่นะทีนี้ไอการปฏิบัติของแนวเราพวกวันโลกทุกโล ก, โลกเราจ่ายนี่กรรมได้ผิดไหมไม่ได้ผิดอยู่ที่กำลังเราแล้วว่าเราศรัทธาแค่ไหนนะนะทุกวันนี้เราไม่ศรัทธาพอทำไปปุ๊บเนีน่เราก็กลัวนะเราก็ไปน่แหละอย่าไปกังวลมันมี การแสดงเหตุนะแล้วก็ไปตรวจนะให้มันรู้ชัดเป็นยังไงนะตอนนี้มะเร็งขั้นไม่ใช่ขั้นสี่ขั้นห้าขั้นหกนะเขาั่งเหรียงตอนนี้เกือบยี่สปีแล้วอยู่สมุทรนครเขายังไม่ตายมะเร็งในตัวเขาเนี่ยไม่ไม่มีจุดไหนมันไม่เข้าเหลือหัวใจเท่านั้นมันเข้าไปไม่ได้นะมันมันเป็นมะเร็งหมดแล้วอยู่ที่พลังจิตของเราเนี่ยนะ เอ็หมือนกันนะ่ห็นไมเอ็นนี่เราไม่ได้ตายเพราะเอ็นเราตายเพราะเอชวไอ ว, วีเชื้อไวรัสมันทํำลายภูมิคุ้มกันเราตายด้วยโรคแทรกซ้อนมันทํำให้เราภูมิแพ้เรามาปฏิบัติให้ภูมิมันชนะมันก็ไม่แพ้แล้วก็อยู่กับมันนะถึงแม้วันที่เราจ้องตายเนี่ยเราก็ต้องตายอย่างไม่ทุกขนะ์เนยมะเร็งก้อนเนื้อนั่นเป็นเรื่องเล็กแต่มะเร็งทางอารมณ์นี่เป็นเรื่องใหญ่ เห็นไหมบางคนเป็นเศรษฐีหมื่นล้าน เ, าเป็นมีตําแหน่งทางการเมืองมอีมีหมดเลยฆ่าตัวตายทําไมนั่นคือมะเร็งทางอารมณ์แต่ถ้าจิตมันวางแล้วเนี่ยมะเร็งเพรากูบอกเรื่องเล็กเเอาไปเผาแล้วก็จบแล้วไงน ะ, ะนะแต่โลกทุกข์มันข้ามทุกข้ามชาติถ้าเราไม่ล้างตันั้นออกเราทุกเราทุกไม่ใช่เป็นเพราะมันมะเร็งยกตัวอย่างเราเป็นมะเร็งมา5ปีแล้วก็ทํางานเฉยๆเห็นไหม พอไปตรวจปุ๊บเป็นมะเร็งปุ๊บนิ่ไม่มีแรงเลยเอา้ทาทํางานมาดีๆแรงมันหายไปไหนนี่คืออุปทานเราไปบอกทาสานทาสานมึงเป็นมะเร็งเป็นมะเร็งมันก็ไอพวกมนุษย์พวกนี้มาบ่นอะไรวะมันไม่ทุกนะที่เราทุกเพราะเรารู้ว่ามะเร็งมันตายมีอะไรบ้างไม่ตายเออใครเป็นใครไม่เป็นมะเร็งตายไหมตายหมดหลายปีก่อนพรา ก, กูเข้าไปทํา ง, งานในเมืองพอกลับมาพบขั้มคนลุน้มกันเต็มหมดเลย แล้วมีคนหนึ่งนอนเน็ตมีผ้าคลุมอยู่ว่าะไอ้ใครมันเป็นอะไรอยู่ที่นี่เห็นหรือังไงเขาบอกลูกชายเขาเป็นเป็นเอกเอา้าเอามาที่นี่ทำไมไม่ใช่โรงพยาบาลหน่อยเขาบอกเขาไปมาหมดแล้วเอา้าแล้วมาที่นี่ทำไมเออเขาบอกในพวกคูณรักษาพวกคูณไม่รักษาพวกนี้นะเด็กหนุ่มอายุแค่ยี่สิบสองเมียเขายี่สิบลูกน้อยคนหนึ่งก็มาด้วยแล้วแม่ก็พ่ามาพวกคุณก็ เปิดผ้านออกดูนะเพราะคูมึงไม่ต้องกลัวมึงจะตายหรอกมึงตายแน่ๆเป็นเอะเป็นเอก็ตายไม่เป็นเอกก็ตายเนี่ยเนี่ยพรากูก็ต้องตายเหมือนกันเนี่ยคือต้องแก่ให้มันโกดก่อนนะมันลุกขึ้นมาน้านเฉยเลยแล้วกดอุปทานมาเท่านั้นเองเนี่ยทีนี้พ่อกรูก็จับมันเบียงอยู่ตรงใต้ต้นมะม่วงทุกคนหนีหมดเนียเลือดมันออกมาจากผิวหนังหมดเลย เวันมันขึ้นกี่จักรยานเฉยเลยโรคนั้นสิบอร์ซแต่โรคอุปทานนั้นเก้าสิบเห็นไหมมันรู้ว่ามันอุยเหนื่อยมันก็ไปเหนื่อยตามมันอ่ะมันก็เหนื่อยอยู่ที่ใจไม่มีพลังภูมิคุ้มกันมันตกไงต้องปวดอุปทานให้เขาก่อนแล้วเขาเหบียดปุ๊บเนี่ยภูมิคุ้มกันมันก็เกิดภูมิแพ้ก็ทําให้ภูมิมันชนะโรคภัยไข้เจ็บ มันเป็นผลของกรรมเราอยากหนึ่งมันไม่ได้เกิดขึ้นลอยกรรมเก่าบวกกรรมปัจจุบันคือผลอย่าไปโยนให้กรรมเก่าฝ่ายเดียวเห็นไหมบุญเก่าบวกบุญปัจจุบันก็คือผลเช่นเดียวกันอ่าแล้วก็สร้างกุศลและจิตขึ้นไปนะไม่เป็นเอ็ก็ตายไม่เป็นมะเร็งก็ตายตายแน่ๆอยู่แล้ ว, ลวจะไปกลัวตายทําไม <laughs> นี่เราฝึกตายทุกวันเห็นไหมนี่เราฆ่าอุปท า, านตัวกลัวเลยเมื่อเราไม่อ้วกปิดคุมคุม้มกันเราเกิดเลยเนาะ วิยาารการแพ้ย์เราละเลยเรื่องโรคอุปทานนะยังไม่ทราบว่าเป็นอะไรเพราไม่ตรวจเราปุตรวจซะเออให้มันรู้ดำรู้แดงที่นี่อยู่ที่ว่าเราต้องนี่ใจว่าเออเราจะเลือกดูแลมันอย่างไรเห็นแม่พ่อครูเองเนี่ยมีเนื้อ ง, งอบอยู่ตรงใบหน้านี่ตั้งแต่เกิดจนอายุตอนนั้นเจสเห็น ไ, ไหมพอนั่งเหี่ยง<ม>ปุ๊บเนี่ย เนื่องจากว่าพ่อครูอยู่อยู่ไม่ดีนะแล้วแม่นี่อยู่บ้านน้องชายน้องชายนี่วัตถุนิย100มร้อยเปอร์เนเคยชื่อเรื่องพวกนี้สมัยก่อนเราก็เป็นเกันเมื่อเราเหมือพุพ่อครูจะพยายามจะฝุกให้แม่ก็เลยไปพาแม่ไปเที่ยวอีกสาขาหนึ่งอีกเมืองหนึ่งขับรถไปกันพ่อครูพาเอาเบียร์อยู่นั่นสามวันนะพอกลับมาแกอยู่ในรถตู้เนี่ยแกเห็นรถตู้เนี่ยแกดวงตาเห็นทรรม ไอ้ก้อนเนื้อตัว น, นั้นหลุดออกมาเลยโดยไม่มีแผลเป็นเมื่อถึงจุดหนึ่งจิตมันมีพลังแล้วมันจะหลังสารอะไรนี่นะธรรมชาติมันรู้ไงอะไรที่เป็นส่วนเกินมันขับออกไปหมดอยู่ที่ว่าเราตั้งมั่นศรัทธาจะทำแค่ไหนนะและ2ี่สิบว่าปีคุณแม่มาจากเมืองไทยนอะจากเวลาไม่ตรงกันบางทีนอนไม่พอบ้างเป็นวันไม่เคยปัญหามหมอนั่งเบียดปรับสมดุลปุ๊บก็หายนะแล้วสุดท้าย เป็นคนแรกที่เผาอยู่ในสุรานคอยอายุ 90, เก้าสิบเผาออกมากระดูกกลายเป็นพระธาตุมันไม่เกี่ยวกับอาชีพอะไรทรงผมอะไรเกี่ยวกับจิตนะเ ม, เมื่อเขาตั้งมั่นเลยจนี้คนแก่นิดหนึ่งก็หาหมอเพราะกลัวไงแต่คุณยา่าไม่เขามั่นใจในจิตของตัวเองมากนะ แต่วันี่ที่ชีวิตเราใช้มันสังขารมันก็ล่วงโรยไปเพราะอากาศมันเปลี่ยนเวลานอนไม่พอก็เป็นหวัดเป็นอะไรแกนั่งหมุนทีเดียวมันก็หายแล้วมันปรับสมบูรของรางกายภูมิคุค้มกันัำเธอเนี่ยเมื่อเราเชื่อมั่นเราก็ไม่กลัวพราะเรากลัวเพมันทําให้เราเสื่อมหแฝงหมดภูมิคุค้มกันแฝงหมดเห็นไหมอย่างไส้ติ่งเนี่ยคุณหมอเขาบอกว่าบางคนทนยี่บสี่ชั่วโมงตายไม่ใช่ตายเพราะไส้ติ่งแตก ตายเพราะเราทนบาดแผลไม่ไหวเหมือนถูกยิงปืนน่ะมันไกลต้องหัวใจเลยจนมันตายนะเพราะว่ามันทนความเจ็บปวดน ไ, ไม่ได้หัวใจวายตายไอ้ตัวเจ็บนั้นแค่สิบปอร์ซแต่ตัวเจ็บที่ใจเนี่ยเก้าสอร์ซมันเป็นอุปทานความเจ็บปวดก็ไม่ใช่เรื่องจริงนะบางคนเขาจะเอ๊ะไม่จริงได้ยังไงเราถยนต์พึ่งต่ อ, อย่ตรงหัวไม่โป้งเนี่ยเราจะไปวิ่งไปทายาหมอง ระหว่างทางเหยียบตะปูทะลุขาเลยมันเจ็บตรงนี้ไอ้ตัวนี้หายไปไหนเมื่อเราไม่ใส่ใจมันก็ไม่เจ็บตอนนี้แค่เขาดา่าเฉียดผู้เฉยเฉยไม่ได้ตี่ยวสักหน่อยนึงกูจะฆ่ามึงฆ่ามึงเจ็บที่ใจเห็นมไหมเวทนาเกิดขึ้นที่ใจก็ฝึกไปเรื่อยก็ไม่พูดคําบื่นแต่ j กอ t go on ก็ไม่จะพูดจากไหก็ฝึกไปเรื่อยไง คุณเดินยังไม่ถึงเลยผมบอกชันเหนื่อยแล้วแล้วพวกูเดินแผนไม่ได้แลนะก็ทํำยังไงก็เดินไปอีกมันพูดเรื่องอื่นไม่ได้นะเออ <S <S 1> <S 1> ก้อนเนื้อนี้หายไม่หายเนี่ยช่างมันแต่จิตใจเราต้องหายอย่าไปกังวลกับมันดูแลมันตามอัตราเมือนเรากินข้าวทุกวันเราหายใจทุกวันนะเหมือนเราทําหน้าที่เราไง ไอ้ตัวนี้สำคัญกว่าไอ้ตัวโรคอุปทานนี่ททำให้เราทุกข์แล้วมันมันไปกระทบถึงภูมิคุ้มกันของร่างกายด้วยนะอยากกังวลเนาะบอกว่าอยากกังวลมันก็กังวละถ้าเราไม่ฝึกจิต น, นะความกลัวทำให้เสื่อมทำไมเคยมาปฏิบัติวิธีนี้มาก่อนช่วงใหม่ๆ ม, มีความรู้สึกมีความสุขเบิกบานแต่ยิ่งปฏิบัติมากขึ้นมีความรู้สึกทุกข์เบื่อหน่ายเศร้าไม่อยากจะทาต่อแล้ว เลยไปหาอย่างอื่น ท, าทําเช่นไปเที่ยวไปดูหนังฟังเพลงเรียนเพิ่มเติมแต่ก็ไม่หายเบือ่อก็ไม่หายเบื่อมากขึ้นไปอีกแบบนี้ควรจะทำอย่างไงปฏิบัติต่อไปเห็นไหมล่ะคุณเบื่อข้าวคุณไม่กินได้ไหมนี่แหละกิเลสทั้งนั้นเลยไม่ก็กิเลสทั้งนั้นแ่ะทีนี้ พวกูพ่อก็เข้าใจนะคนเราไม่ชอบเบื่อไงเนีย่ยชอบสบายพอมันไม่สบายทุกก็ไม่ชอบเมื่อวานคณะคุณเบญจวัรณมาเยี่ยมพ่อปูหลายปีไม่เจอแนละ้วเนาะเออแกอยู่สัติอารมณ์อยู่แลวพ่อปูสบายดีไหมเป็นปกติถ้าเราเป็นไข้ยอยู่ก็ปกติเกินแก่เจ็บตายเป็นธรรมดานแต่เราไม่ชอบเป็นไข่พราอเราเป็นไข้บอกเราไม่สบาย ทำไมต้องไปตั้งชื่อว่าแบบนี้มันไม่สบายสบายดีทุกครั้งนะมันเป็นปกตินที่เราบอกว่าเป็นไข้ไข้นี่มนุษย์เราตั้งชื่อมันขึ้นมาเนี่ยมันเป็นโรคนั้นโรคนั้นโรคนี่นะคนแค่อายุมากก็ตั้งเป็นโรคชลาห์เพวกะูได้เป็นโรคชลาแล้วถ้าไปโรงพยาบาลจะตั้งให้เป็นเป็นโรคเลยนะพวกูไม่ได้เป็นโรคพวกกูเป็นแค่คนอายุมากเฉย แต่วิชาการมันก็ต้องช่าตั้งชื่อไม่ตั้งชื่อมันก็ไม่รู้ว่าจะรักษาอย่างไรใช่ไมใช้เครื่องมืออะไรเนี่ยเนี่ยเราถูกมันบีบดอย่างนี้นะชีวิตเราก็เลยเครียดกับสิ่งนี้เพราะคุณไม่ได้เป็นโรคอะไรนะมันถึงร่างกายมันสพว่าเราชอบสบายพอมันรู้สึกไม่สบายอาการขั้นเหนือขัานตัวปวดหัวอะไรเนี้ยเราเรียกว่าอย่างนี้คือเรียกว่าไม่สบาย ความรู้สึกปกติแล้วก็มีแล้วก็โอ้ฉันไม่สบายแล้วก็ไปทุกกับไม่สบายเป็นไข้ก็เป็นปกติมนุษย์เราก็เกิดมีแก่มีเจ็บมีตายไงยเป็นปกติเราไม่สบายกับมันทําไมล่ะเห็นไหมเป็นปกติก็สบายทุกเมื่อนะเพราะเรายอมรับความเป็นกฎเกณฑมันเป็นเช่นนั้นเองเราจะไปทุกกับมันทำไมเห็นไหมพี่นักภาษามนุษย์เนี่ยโดยเฉพาะเป็นธุรกิจภาษาทางดาสุขเก็ไปตั้งชื่อมัน แล้วก็เลยเป็นโรคใช่ไหมไม่แล้ไม่ได้เป็นอะไรนอ้อมันเป็นปกติเนะพราะกูแก่แล้วก็เป็นปกติไงเราจะให้มันหนุมเร็วนะไปเบี่ยงให้มันหนุนขึ้นได้ใครมีใครถามบ้างก็ ก, กูกเบียงแล้วเบียงแล้วมันจะเป็นสาวขึ้นได้หรือเปล่านะถ้าเราไปแกกับอ า, ายุ60 70 80เนี่ยเราโง่นะจิตเรามันมียาลูไม่รู้หลายหลายลาย้ลานชาตินะ จำไว้เราไม่มีวันตายนะเยนสื่อหลิงผู้สื่อคนจีนเขาบอกว่าคนนี่มันต้องตายแต่จิตไม่มีวันตายธรรมชาติบุกอยากท้ากําไรเกินควรคือยังเป็นหนี้ฉันอยู่แต่จะเพ่งไปเลยไหมไม่มีวันตายวันที่ร่างกายมันตายนี่เขาเรียกว่ากั้เซิงคือเปลี่ยนร่างเท่านั้นเองนะเปลี่ยนจากร่างนี้ไปสู่ร่างอื่นไม่ได้ไม่ได้แปลว่าความสูญเสียความตายไม้สูญเสียคือความเปลี่ยนแปลงแล้วจะไปทุ่มกับมัน เออนอกจากเราไม่เคยสร้างบุญมาเลยเราทุกข์สินะกูขับรถเบนซ์อยู่ดีๆชาติหน้ากูไปขับตุ๊กๆอย่างนี้แนหะมันกลัวนะมั <c oughs> นก็นมันต้องกลัวไงแต่ถ้าเราทำบุญกุศล ร, ร, ราจะไปกลัวทำไมเปลี่ยนรถคันใหม่ก็ต้องยิ้มไปสินั่นแหละแล้วก็ตายดีเนี่ย ไปเรียนเพิ่มเติมไปดูหนังฟังเพลงแต่ก็ไม่หายเบื่อมากขึ้นไปอีกแบบนี้ควรจะทำอย่างไรความเบื่อนี่มีประโยชน์มากความเบื่อนี่เรียกว่านิพพิพาลมันคือผลของการปฏิบัติทำให้เราเห็นความเบือ่อเจ้าชายสิริธรตัสรู้รมเป็นสัมมาชุยจั่งเพราะความไรเ้เศร้าพระองค์มีเมตตามองอะไรเศร้าหมดเมตตาสงสารไอ้ตัวเศร้าจะไมพระองค์วาง นะความสะดวกสบายความสุขจองปอมนั้นได้ถ้าพราะองค์ไม่ทําอย่างนั้นทุกวันนี้เราไม่จะยึดอะไรจะไม่มีพุทธเจ้าการบายเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจนะพระองค์บรรลุธรรมเพราะความเศร้าพ่อครูเราเบิดเพราะพ่อครูเบื่อแต่ถ้าเราหลงเราเลินกับความสุขจองปอม เ, เราเนี่เราเสียชาติเกิดตายเปล่าเลมันเบื่อดีแล้วแต่เราไม่ชอบเบื่อเลยได้หนีมัน ความเบื่อมันทําให้เราเห็นทุกทุกมีไว้ให้เห็นไม่มีไว้ให้เป็นแต่เราหนีทุกตลอดเวลานะมีคํานึงเขาพูดว่าอภิญโกร์กั้นบังทุกข์ขันนี่นั่งอยู่นี่พอกูพูดอะไรเยอะแยะเบื่อนะออกไปเที่ยวดีกว่าเราเปลี่ยนอรชีพหดใหม่เห็นไหมพอกูบมื่ีไม่ได้แอบดูนะแต่ว่าเห็นนะเดี๋ยว ก, กูก็เปลี่ยนเดี๋ยว ก, กูก็เปลี่ยน ความจรคุณนั่งอยู่นี่ตลอดวันกคุณไม่ต้องเปลี่ยนเลยเพราะเราไม่ชอบเนี่ยเราเปลี่ยนที่บ่อยไหมดเมพราะเราหนีทุกตลอดเราจรึงไม่เห็นธรรมไม่เห็นทุกไม่เห็นธรรมไม่เห็นสัจธรรมความจริงว่าเรามีทุกเป็นประหาเนีน่ยชีวิตเราเนี่ยแค่เบื่อเฉยก็ไม่ได้กูไม่อยากเบื่อกูไปเที่ยวลำเต้นลาเต้นลำแม้กระทั่งไปเรียนหนังสือเพื่อให้มันดึงควาเมเบื่อนั่นคื อ, อยาพลา ยีสิบแปดีเพราะคุไม่ต้องจินยาแก้ปวดมันแต่เบ็ดหนึ่งเพราะจิตมันแก้ที่ต้นเหตุมันไม่ต้องคิดเลยเมื่อมันไม่มีนาคไม่ต้องคิดไม่ต้องคิดมันก็ต้องไม่ปวดหัวที่เราปวดหัวมันคือมโนกรรมปวดหัวมันส่งสัญญาณว่าให้เบาๆหน่อยหนึ่งเราแก้ยังไงปวดหัวมึงแน่เลยอฉันก็เอายาแก้ปวดมาจินเนอะแล้วก <Wow. S 1> ็คิดต่อเมื่อทิยามันหมดจากปวดหัวกลายเป็นไมเกรนชีวิตเราแก้ไปเหตุตลอดเนาะ เห็นไหมเบื่อก็ดีแล้วจิเลมันแย้งมันดีได้ยังไงเพราะมันไม่ชอบเบื่อมันเบื่อทําให้เราไม่ไปหลงไอชีวิตจอมปอมแบบนั้นไงเห็นไหมเมื่อเราเข้าถึงแล้วเนี่ยแค่นั่งอยู่เฉยๆนี่เราก็มีความสุขแล้วไงทําไมต้องไปแสวงหาความสุกสนานมาขบเพื่อความเบื่อเนี่ยอริยบทกั้นบังทุกข์ขันคณะสัญญากั้นบางนันตา คณะสัญญาคืออะไรเกิดมาปุ๊บตั้งชื่อละชื่อบัญชานะดูพ่อแม่เรียกต้อมีความสุขถ้านะเขาวผืน ห, หนึ่งก็ใส่เข้าไปแล้วแต่งหนึ่งหนึ่งสัญญานี่พ่อนะพ่อแม่นะนี่รวยนะนี่เงินนะความสุขเป็นรูปร่างหน้าตาเงี้ยววาดเลหลายๆสัญญารวมกันเป็นคณะสัญญากลายเป็นอันตราขึ้นมาทําให้เราเข้าไม่ถึงอนันตบา จากคณะสัญญากานบางมานันตาผู้เจ้าไป็นตัดสูดสิ่ง น, นี้ถึงบอกให้มาขัดเตาจิตให้พองใสมาล้างให้พวกนี้ออกไปนะแต่อย่าค้ากําไรเกินควรนะปฏิบัติตั้งสี่ครั้งเลยทําไมขยายยังเหลืออยู่โอนะ้ที่ศูนย์เนี่ยยี่สิบแปดปีแล้วนะวันเป็นกี่ครั้งยนะี่สิบแปดปีมันกี่ครั้งเขายังไม่บลอยนูะ่เนี่ยลักษณะทุนนะิยมน่ะค้ากำไรเกินควรนะ ลบกวนพ่อครูช่วยชีย้แนะแนวทางกระดมด ม, ดมตนในยุคปัจจุบันโดยเฉพาะสังคมเมืองด้วยนะครับขอขอบคุณครับรู้เท่าทันมันรู้เท่าทันโลกอยากไปตามโลกตามแต่ว่าไม่ได้มันเปลี่ยนรุ่นใหม่ทุกวันนะทุกวันนี้การศึกษามันสอนให้เด็กๆ เ, เนี่ยไปมีความรู้ความรู้ซึ่งเขาจัดให้เรา เราต้องเป็นหุ่นเดิมตามมันสัมันผิดเราต้องสอนให้เด็กฝ่ายเรียนรู้ไม่ใช่มีความรู้องค์ความรู้ไปอย่างวงเนี่ยมันกดทีเดียวมันก็รู้รู้อะไรหมนสําคัญว่ามันฉลาดรู้ที่จะเอาองค์ความรู้นั้นนี่ยมาปรับใช้กับมันยังไงต้องให้มันฝ่ายเรียนรู้เนาะนั่นแหละอยู่สันของทุกวันนี้เราเปลี่ยนโลกไม่ได้เราบอกให้พวกมึงหยุดได้ไหมอย่าไม่ต้องแข่งขันไม่ต้องทะลาอกันไม่ต้องสร้างเทคโนโยี่ใหม่หรอกกลับไปคืนสู่ธรรมชาติไหมมันก็ไม่ฝังหร ให้เรารู้ต่างคนเป็นจริงมันเป็นอย่างนั้นแหละเราจะเป็นท่านมันเท่านั้นเองสอนเด็กๆให้รู้เท่าทาันโลกอยู่กับโลกให้ได้แต่อย่าไปตามโลก ต, ต่างไปว่าไม่ทันเป็นท่านง่ายๆเนาะพอใจเศรษฐกิจในหลวงเนี่ยนะไม่ใช่ต้องไปจนอะไรกันหมดนะจนก็ไม่ทุกบังเอิญมันจำเป็นต้องรวยก็รวยอย่างไม่ทุกเลยช่างเป็นต้องรวยก็รวยเออย่าไปทุกข์กับมัน ถ้าจําเป็นต้องจนก็จนเถอะอย่าไปทุกข์กับมันเศรษฐกิจพอเพียงไม่ใช่พออยู่พอกินพอใช้ต้องมีเพียงพอเพื่อจะแบ่งปันนั่นแหละคือเศรษฐกิจพอเพียงที่แท้จริงในหลวงท่านบอกว่าเราสามารถมีของหรูหราได้แต่อย่าเบียดเบียนตอนนี้ของหรูหราเราส่วนมากของจากเบียดเบียนสังคมอีอ่เขาเรียกว่าทรัพยากรมีจำกัดมันดูดเข้าตัวเองหมดเลยคนอื่ไม่มีจิตใจนนั้นตกนรกนะก็เป็นเรื่องของเขา เขาพอใจอย่างนั้นก็ทำไปเห็นไหมสำคัญว่าเราต้องเรียนรู้ว่าชีวิตคืออะไรเราจะอยู่กับไอ้สังคมไม่รู้จะสังคมนี้เรียกว่าอย่างไงนะก็สังคมเป็นแบบนี้แหละมันแข่งขันมันยื้อแย่งต้องแข่งขันก่อนถขาดำรงชีวิตได้ต้องมีก่อนเขามีความสุขนะเราวอยู่เขาไม่ได้แต่เราต้องรู้เท่าทันนะว่ามันเป็นอย่างนี้เราต้องอยู่กับมันให้ได้ไม่ใช่หนีเข้าป่าหมดนะ ใช่ทุกคนอยากจะอยู่กับพ่อครูก็ได้นะจิเล่มันไม่ยอมหรอกเห็น ไ, ไหมน้องเขยพ่อครูหลายปีก่อนโน้ยี่สิบกว่าปีกว่าไม่เรี่ยกพ่อครูไวันแรกว่โอ้โหเงียบดีจังมันอยู่ริมเขื่อนด้วยเห็น ไ, ไหมวันที่สองเงียบเกินไปวันที่สามเงียบชิบหายเลยกูไปดีกว่าเห็น ไ, ไหมจิเล่มมันยี่นั้น ร้อนนักกงมักอ้างว่าเย็นนักก็มักอ้างว่ามันอ้างไปเรื่อยนะเห็นไหมเรามีหน้าที่รู้เท่าทันมันเฉยๆเราอย่าไปลังเกียจกิเลสด้วยนะถ้าเราเรียนียจกิเลสแล้วเรารังเกียจกิเลสก็คือเราเราเกียจตัวเองล่ะเพราะตัวเองสร้างมันขึ้นมาทั้งนั้นละนอกน้อมถ่องตนเรียนรู้กับมันอย่าหังการนะรู้เท่าทันกิเลสมีวิธีเดยวที่จะชนะมันไม่ใช่อาวุธเหนเกียไปฆ่ามัน มันยิ้มในนเ้เอาวุฒิเเขียเอาวุฒิเนือเขียก็เกิดจากกิเลสมันสร้างขึ้นมานั mm ่นแหละเรื่องอะไรกิเลสมันจะฆ่ากิเลสเนา mm hmm. เพียงแค่มีสติมีปัญญานะออรู้เท่าทันกิเลสมันรู้เท่าทันอารมณ์เพราะเราหยู่มันไม่ได้เนาะเราจะทราบได้อย่างไรครับว่าเข้าจิตได้แล้วหรือยังนะไม่ต้องไปทราบไลทํา ไ, ทไปเรื่อยๆเลใช่ไหมเดี๋ยวสัปดาหนึ่งมันแรงขึ้นเราจะรู้ว่าเฮ้ยใครเป็นคนทํา ใครเป็นคนเคลื่อนไหวแบบนี้วะไม่ใช่สมองเราเนี่ยเนี่ยเห็นไหมนั่นแหละเข้าได้ไม่เข้าได้ก็ช่างหัวมันนะเราเราแฝงด้วยความอยากรู้อยากเห็นมีคนบอกเข้าจิตเข้าจิตแล้วก็อยากรู้ว่าเข้าจิตมันคืออะไรเห็นไมอันนี้คือเป็นโปรแกงละนะนะอ่เพราะเรามีความอยากเอาไป็นว่าทำไปเรื่อยๆก็จบคาเก่าละคำไปเรื่อยๆ just go on นะจังเป็นไหมว่า จะเข้าจิตได้ทุกคนต้องเหวี่ยงแรงๆทางกาย อ, อจําเป็นไม่จําเป็นแต่การเหวี่ยงแรงๆเนี่ยเพราะว่าเราเข้าไปไม่ได้เนี่ยเข้าช้าเข้าเรียวเพราะว่าเราติดวางคิดเฮลิคอปเตอร์หมุนเบาๆในหองไม่ได้ถ้าเหวี่ยงแรงๆเลขสปีดปุ๊บเนี่ยมันสามารถยกก้อนเหล็กเป็นพันกิโลเนี่ยลอยได้แรงเหวี่ยงทําลายสนามแม่เหล็กอันนี้เหมือนกัน เราสร้างแรงเบี่ยงพิทูพินไม่ไ ม, ม, ม, ม่ไม่ใช่ว่าตั้งใจอยากให้มันเร็วเร็วเรื่อยแต่กำลังเราไม่ถึงนี่เขาไม่ควรทําทำแ ท, ท่ที่เราทําได้แต่จำไว้ว่าถ้ามันจะเร็วอย่าไปดึงมันไว้พราความกังวลความกลัวของเรานะแต่ถ้าเบี่ยงเร็วได้อย่าไปดึงมันสลับศูนย์มันเ <c oughs> มื่อจิตมันหมุนเนี่ยคือโดนปลานี่คืออานาปานสติลงก็คืออาณาพัฒนาอาณากลายเป็นปลาขึ้นมาเมื่อมันหมุนแล้วนี่นี่แหละคือธรรมจักรกับปวสูตร นะผู้เจ้าเทศปุ๊บกระทุงจิตมันเกิดมันมันลุนพ้นออกจากสิ่งปงูนแข็งทั้งปวงอัญญาควรนรัมญามารู้ธรนะถ้าแรงเบี่ยงมันไม่พอเราเราก็ดูดจากแรงดึงดูดของอายนานะโดยเฉพาะไอ้ตัวใจนี่ไม่ได้ใจมันดึงจิตเราไว้นะก็ ถ้าพูดคำว่าจาเป็นหรือจําเป็นก็ไม่จําเป็นหรอกแต่ทําแค่พอดีท่านสายกลางทางาุแต่ัวคนไม่เท่ากันแต่จำไว้ว่าถ้ามันจะเร็วนี่อย่าไปดึงมันไว้บางคนมันเร็วก็เมื่อวานก็ครูบอกนะครูบาจารย์พระคุณเจ้ามาจาก น, นครพนมฟัง YouTube, อยู่ที่พระคุณไปนั่งเบียดมันเบีเยดก็เหมือนจะตกเขวเนี่ยแกก็มาจับพูดโถก็มันกลัวมากเลยเห็นก็ไปจับพุทโถมันก็สงบเลย เดินมาถามหาพบกัวนั่นแหละพระอาจารย์ถ้าในพุทะเออถ้าอาจารย์สมัยก่อนเนี่ยไม่จับพุทธโธก็ไม่มีวันนี้แต่ถ้าพระ อ, อาจารย์ไม่วางพุทธโธก็ไม่มีวันขนหนากล้าบอกเลยเนาะโอเคอเหลือเอาไว้เอาไว้ที่หลังนะุะก็เข้าห้องน้ำห้านาทีแล้วก็มาปฏิบัติเชิญครับ